<laughs> . อ๋อดรก็เห็นละอย่าน้อยเห็นกายเห็นจิตเห็นกายมันเคลื่อนไหวเราเจตนาเคลื่อนไหวใส่ใจเสลื่อนไหวให้รู้สร็จเจตนารูเสึกได้ตักรรม ที่ตั้งวิธิกายรู้ดวาฐานดวากรรมฐานที่ตั้งแห่งการกระทำนี่คือศึกษาของกงริงเหามองกาแสดงออกเราตั้งใจที่จะจ้างตัวรู้ตัวหลงเกิดขึ้นมาแทรกแสงหน้าแสงหลังแล้วว่า ตัวโน้ตัวหลงเนี่ยมันคุณระอษณกันอยู่ไม่ใช่อย่างเดียวกันว่าแต่เราดูดีๆตาคมๆจะหน่อยเัินเราเป็นเจ้า ข, ของบ้านของทรัพย์บ้านเรือนของเราตาค ม, ห, คมหัวคมสมบูรณ์เลยเอามาใช้เป็นการรักษาทรัพย์สมบัติของเรา รอบรอบรอบูจนรูจนหลองอ่ะจมผัดรูมันเป็นไงมันเป็นคู่วันอยู่ชีวิตของเรามีคู่คุณใช่อันเดียวเพันจิตตตะนาเป็นจ้าป้าใจ ก อ, อกกับพระนางก็เป็นละพัดเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บ ค, ค, คนตายก็ไม่ยอมไม่ชอบดูเฉยๆเห็นคนเจอบก็หน้าเวทนาเห็นคนเจ็บก็หน้ากลัวเว่ารเราจะเจ็บังเขาเห็นคนตายก็หน้ากลัว เราจะตายั้นเขาตอนที่ั้งที่มันจะตายอยู่เรกลัวแต่เราเห็นจริงๆแล้วจิตทภักดเห็นการเกิดการเจืการเจ็บป น, นตายแล้วนี่ยอมจะต้องมาเรื่องเะรเรย่องนี้ได้กาจะ อยู่เตลาด้วนะังประดับประดาไปด้วยเคร่งตกแต่งเจ้าเป็นเจ้าป้าชายมีสาวสนมกันนานในมืขอเครื่องดีดีจะเิ่นหูจะเล่นต่ออประพาสกระินลพก็เห็นโลกภายนนก็ไม่เฉยแล้ว ออกมาเป็นการบ้านท้่แต่ยี่สิบหกปีจนเนื้อยีสามสิบปีวิชิตเรื่องนี้ว่าเมื่อไม่เกิดต้องมีไม่เกิดแน่อนอนเมื่อของคู่กันเมืเ่อแก่ก็ต้องมีแม่แน่นนอนเพราะมันเป็นของคู่กันการเกิด ต, ตายก็มคู่หวังกัน เหมือ น, นกันงคืนกงวันร้อหนาวคู่เหมือ น, น, นกันก็เลยไม่ยอมรับผิจชอบเรื่องนี้แต่ละเป็นกษัตริย์เห็นค น, คน เ, คนเนนกิดคนแก่คนตายแล้วก็โอ้แล้วลเนเหมือนกันได้หรือก็เหมือนกันหมด ก็เลยไม่ยอมศึกษาก็เเอาเป็นการนัจนได้เวลาราใต้โอกาสอายุ29ขวบปีเอาไปอึดเรื่องนี้อยู่เป็นการานั่งใปล่อยทิ้งการเกิดการังการศึกษาออกประวด ความตอบเรื่องนี้อรับโดยธรรมที่ต่างๆตามวันที่ที่ก่อนแล้วผมใส่รัตบุตรภูกกเกระกจัยพระอาจารย์อาธิตย์กังพล6ครูสอนกันอยู่ก่อนแล้วก็กระโดดทุกครูได้มาเห็นเป็นทางอะไรก็ศึกษาโด ย, อยเอง สาษาดยตนเองก็เรกว่าประมาณขตะยิม า, มาพิโยกประมาณตนเองหลารูปแบบประมาณการดิการอดข้าโอดน้ำงา น, นเช็ดนอนน้ำ แล้เนี้ยก็จนจนหมดเรื่องหมดเลยแล้กวก็ามาคันลมหายใจคันลมหายใจจนลมอกุลตาจะกระเดินหนอกนก็พองว่าเชื่อว่ะไม่มีใครทำได้ขนาดนี้ฉันเคยไปแล้ว เนี่ยทำตารางกายทำใจคิดที่ติดตามก็ไปเรืยกันอย่างโกรธปัญญวิีอย่างคิดหน้าคิดหลังอะไต่างๆต้งทั้ ง, ง, งที่ร่างกายบมดเรีย่ยวหมดแรงกมาเห็นบทเรียนที่มันเกิดจากอาการข อ, ข, าของกายของจิตก็เลยมาศึกษารเรื่องคิด แงแล้วลงานสารเกีตี้ก็ต้องมีกำลังกินข้าวกินน้ำเคยออกจากโรงกรจิริทางตอนเหนือของแมาน้มในวันฉลางห ล, ว, ลวพ่อเคยไปดูเป็นที่เล็ก จนเป็นทุกขาีอยู่ที่บ้านขณะลงมาตามน้ำในลชลาจะลุกมาถึงแค่พุทธคยามานนางสุชาดาถ้าลงสองน้ำจนขึ้นฝั่งใ น, นลำธาไม่ได้หมดเรื่องวันแรงแต่เจ้าชีก็ต้องไปช่วยพยุงขึ้นมา สบาบนาสาบผลจักข้าทำกาให้สาบแล้วไปนั่งอยู่ต้นนิโคธนะ่ะหลังที่เราเรีรู้กันนะอ่ะเงางสูจดาขนในวดัดเทพเจ้าอขอเคารพเอาข้าพนุทุพยาตซึ่งเป็นของของคสูงสุสดข้าพนุนทุพยาตเนี่ย มาไทยเรากนไปอยู่แถวแถวเมืองเลยตอนเหนือของประเทศเราดินแมน่น้ขคงทะเลปาเค่งน้องคอยสีแจ้งม่นยัง ม, มีอยู่ก็ทำได้ข้าวอ่อนๆออกมาภาพของเส้นใหญ่เราหญิงที่ยังไม่มีระ ด, ดูเป็นคนจะทำตรงแต่คน มั้นเราโคกคนข้าวตปาปาดก็ทำงานกรถิ่นเขามากักจะทำข้าวมาุกประยาตแล้วก็มีคนมาล่วมกระถินขอแจกให้ครบทุกคนล่อคนก็ได้ล่อห่อพันคนก็ได้พันห่อเพื่อให้เล็ดลอดพอได้เพราะมันเป็นข้าวที่หายากทำยาก ก็ขึ้นชื่ อ, อเสียงกันทุกคนก็เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แทบรวมมาล่าคงรองหลวงพ่อก็ระอยแถวเจ็ดแปดปีตองนี้อยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวนีก็ไม่มีแล้วบ้านเราก็มีแล้วตอนนั้นก็ฉันนั้นิดราก็จังที่พูดในฟังนั่นแหะ มาตั้งใจหรืออยู่เรื่องเดียวคือเรื่องจิตใจแต่จิตใจนี่จับไปได้ต้องหาวิธีที่จะสอนกายสอนใจโดยต่งก็ะได้หลักของสติปัฏฐานนี้โกษจะไม่ได้สร้างจระเข้มันเราในพระสูดเพียงพูดว่า การโค่นแขนเข้าการเหยียดแขนออกการโค่ขนเข้าการเหยียดแขนออกการมองไปข้างขวาการมองไปข้างซ้ายการก้มการงการคิดนึกการขื้นางลายการพิตารณาหายใจเอาสติไปรับรู้ลัเห็นแล้วมันก็เห็นของเป็นคู่กันจริงๆ เวลามันหลงมันก็มีความไม่หลงไม่ใช่เฉพาะเกิดเจ่เจ็บตายเท่านั้นเวลามันทุกข์ก็มันก็มีความไม่ทุกข์เอ่ามันเป็นคู่เดือเด้วยกันอะไรก็ตามสรุปลงได้หลักว่าเรื่องมื่อควซึ่งกันและกันเรื่องด้วยคู่เป็นคู่กันในโลกนี้อันโลกมันมีโลชั่าเปมนความเป็นคู่ ทรองก็ร่องหลักแต่ยกายามปัญนานี่แต่มันเป็นอยู่ตรงหลักนี้อันอื่นก็ผ่านมาเองเพราะพวกเราทำอยู่ขนาเนี้มันก็มีอะไรผ่านมาให้ดูลหลายรุ่นหลายชาติทางกายบ้างทางใจบ้างแล้วก็ตัดเข้ามาหาความรู้สึกตัวก็เป็นความรู้สึกตัวได้จริงๆแม้มีร้อยเรื่องพันอย่าง ที่อวังเกิดครื่องหาะที่เราสร้างสติอยู่มันก็เปลี่ยนได้เป็นคู่ได้เราเปลี่ยนบปนตัรู้ดังพูดแล้วพูดอีกก็มีเท่านีาก้การศึกษาอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกว่ากับใจเราเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้แล้วก็าเปลี่ยนได้ได้ทได้ข้ามั่นใจตรงนี้กันใครก็าาตาม กเบมือเห็นกับตาเราอแม้ก็ถ้าจะเปรียบสังมัติสงผลถ้าเปรียบได้มัตตก็คือการทําอยู่นี้รว่าผลก็คือที่มันหลงไว้มันเจือนทุกข์เป็นผลของความหลงสลงวัตตก็คือกลับมามันหลงมันจือมทุกข์ไว มักคกือกำมามานู้จตัวเราก็มานวิจารมันเกิด ม, มีโลดมีโลดคือหลุดไปแล้วควาหลงหลุดหลุดไปแล้วความทุกข์คนายังหลุดไปแล้วอนเพลนไปแล้วมาอยู่กับภาวะตัวรู้เรื่องอะไรก็ตามเมื่อเราปฏิบัติอยู่มนเ็อย่างนี้เป็นอย่างนี้นนทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นนักเปนผลปฏิโลดปราษา์ธรรมะ ยิ่งลดไปน้อยยิ่งลดจนเกิดเพื่นจากความสุขความทุกข์ยลดเพื่จากความยึดกาะสมองอะไรต่างๆมันหลุดเพื่อนไปเรื่อยๆไปขวายหลังเรื่อยไปบาดแผลต่างๆ ท, ที่เคยมีใครก็ตามก็ย่อมหลงเหมืนอนกันหมดที่ว่าผู้ตุโชนเคยคนบ้าเพื่อกันทั้งนั้นผู้ตุโชนเคยควางบ้าก็ถ้า สิ่งต่างๆที่มันคืดเงาปลากระใจว่าเปลี่ยนเป็นตัวรู้โอ้หายบ้าไปหน่อยนึ่าเป็นหมอตรวจโรคของคนไข้ใน ม, มีการตอบสนองมีการตอบสนองขึ้นมาหมอก็มีหวังอ น, นันต์เอาัดืีนมานะเป็นนิมิตแต่ว่าการสอนโดยแม่เอาตัวเองเป็นนิมิตนั้นบทเรียนไปมัน มีผลกระทบมันเป็นขนมันเป็นการตอบสนองตัวการปฏิบัติเราเจตนาสร้างตัวรูปมันก็มีตรูปมันตอบสนองได้บางทีในเหตุที่มันจะหลงไม่ไม่หลงเราก็ก็เฉลียวฉว ย, วยได้ ที่มันก็ร่วงเป็นภาวะเดิมผ่านไปผ่านไปถ้าว่ามันสูงแล้วก็สูงขึ้มาน่อยนึงอะไรทัได้ไม่ง่ายนะถ้ามันสะอาดแล้วก็ไม่มีขีดในสระปกเป็นอารมณ์เคสูญเคยทุกข์ให้ดีใจเสียใจแล้วก็รู้จึกรู้จึกมันก็สะอาดกว่าเก่าอยู่ เพราะเรสวมเสื้อผ้าที่สะอาดแล้วสสก็ไม่ะระคายเคืองสวมใสก็สบายกายสะพัดก็สบายจิตก็สบายตาก็ดูก็สดดีการฉลองเดยนี่มันก็เป็นความดีเ ล, เลยที่สุดพระพุทธเจ้าได้คำตอบออกมาจากที่เราสวดเมื่อกี้นี้ว่าผู้ใด เ, เหตุทำผู้นั่นเหตุ ผู้ใดเห็นผู้พุทธเจ้าผู้นั้นเชื่อเห็นธรรมอ้าพุทธคืออะไรพุทธคือเวะาที่รู้นี้ที่ตื่นนี้ที่นหลงไม่หลับตาตื่นเราตื่นไม่หลับมือนก่อนคนตื่นย่องนตืนอยู่แล้วย่อช่วยเตยตืนเนไม่เหมือ น, น, นคนนอนหลับคนนอนหลับน่ช่วยเตยไม่เป็นคง เราจิตตัวขึ้นมาไปก็ท่วมแล้วตาประตูออกก็ไม่เห็นแล้วก็ตายกับไปเหมือนแล้วพอของพ่อไปสอนทมที่หัดใจนี่นัางข้าใหญ่โตแล้วก็ชั้นสามชั้นเจ็เชัน 3, ช้น 4, หลานสาวเป็นสาวนอนอยู่เช่นสี่ไปไม่ไม่รู้สิกตอนหลับหรอ อ, อาจจะรู้ตอนที่มันเคลื่อนไม่ได้แล้วก็นอน อ, อยู่กับที่นอนไฟชกตายมันดำมันโตตะโก้วารตายแบบนั้นการหลับแบบนั้นแล้วก็อันตรายแต่การหลับแบบเตี่ยวไม่ตื่นนี่มันเคื่อนตัวมาเป็น ขอให้สุขขอใทุกที่งานเราอยู่ข้ามวันข้าคืนถึงเจ้าบ้านเจ้าเรือนก็มีความรักของจังเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจไม่ถ้าคยจะไปช้ไม่ไปเป็นไรในตัวเองไไปอนนี้เราจะมาอ้อผู้ใดเห็นทำผู้ใเห่นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้ได้นจะเห็นทำ ล้ก็เราโมโหเย็นๆอโอ้พุธะคือภาวนู่เกิดขึ้นทำที่เราสัมผัสอยู่นี้า ก, กางรูปกวีนเดินเบิกบานอยู่นี่นี่คือพุรธะธธ น, น้อยเกิดขึ้นกับเราถ้าเป็นหน่อก็เป็นหนอ่อม่น้อยยังไม่ถึงกับจริงก้านสาขาขาเสยลมเมาออกหอกคนได้ก็ควรแต่ว่าหนอ่อกเกิดขึ้นแล้ว เรก็ขยันละตอเนี้ขยันตามความเพียรในความขยันมีความอดทนถห็ของเก่งของทัพผู้ใเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั่นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั่นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทเออเห็นธรรมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเชื่อเห็นปฏิจจสมุปบาท พูดได้เ uh, ห um e nah, ็นทำเพื ung, ri, ier, in, ai, ay, ่อนพูดจำไม่ได้หรอกอาจารย์ลงสินพาสดวยยังนงจริงพูดได้เห็นปฏิจจสมุปบาทเพื่อนเชื่อเห็นธรรมน่ะไม่ใชอย่างนี้นะเราจอเห็นเป็นดวงเป็นสีเป็นแสงเป็นไอกลิ่นเป็นไอเป็นโน้ตอยต่างๆนี่หลงไหลไม่ใช่แบบนั้นเห็นของที่มันเป็น ปิติจารยสมุปะบาทนีด้วยกันที่เเห็นธรรมไม่ใช่รูปร่างลักษณะอันเป็นคนธรรมที่เกิดขึ้นกับเราเช่นไหนบ้างที่นว่งด้วยกันนี่ก็มีทุกอย่างแหละเช่นเราโกรธอยู่เฉยๆไม่ไดกโกรธรอกอ่เฉยไม่ได้โกรธ เ, เลยมันต้องมีเหตุที่จะมีโกรอะไรโลก โอพ่อเราพ่อเราหลงเพราะพลงแต่งแบบเป็นโกรธทาไมจึงหลงโอ้พ่อเราไม่มีสติทาไมแล้วไม่มีสติพ่อเราไม่ปลุกความเป็นเราไม่สร้างมาเจอเป็นไปบางนั้นก็เห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นทำได้เห็นไงถ้าเป็นเห็นอริสัจสี่ก็เห็นทุกข์แต่เป็นผลความทุกข์เป็นเหตุ กนเรล่อนผ้เนี่ยแ่เพิ่ม่งไทอะทกเป็นผลของอะไรเ้นผลของสมุทัยสมุทัยคืออไสมุทัยคหลงจอยสมุทัยคือความหลงทำไมที่หลงก็เราไม่รู้ทำไมเราไม่รู้เพราะเราไม่สร้างนี่มัน่นเดกันอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมไม่ใช่คเราจะกระอยขึ้นมาจะรักจะชังระอยขึ้นมา มีเสียงนี้ด้วยกันมาก่อนเพราะฉนั้นหลวงพ่อเคยพูดน้าพอเดี๋ยว่ามีเรื่องนี้มันมีอะไรที่มันด้วกันมีดวงอาทิตย์มีเสีงยงบาทิตย์ถ้มีแสงอาทิตย์ก็มีคอัอนแรกเมือ่อมีขั้นแรกฝนก็เลยตกเมื่อฝนนั้ตกน้ำก็เลยท่วมทําไมน้ำท่วมมันไม่มะป่าไมา้ดูดซับเสรมวนน้ำถ้าร้อนก็ มเพอาะถนนมันท่วมน้ำฝนมั น, นล้นเราเดินไปเราก็ล้มถน น, นมันลืน่นทำไมเราล้มเพราะถาน น, นมันลืน่นบางดีเราล้มไปหัวปวถูกตอหัวแตกทํามาเราหัวแตกเพราะเราล้มเพรามันลื่นเราไปหาหอทำไมเราไปหาหมอเพระหัวเรามันแตก เรา OR, ไม่นองยังไงเมื่อถึงอย่างนั้นเราจะมองยังไงอาโชคลายหรือโอ้โชคลายโชคายของเราแต่ขอเราแต่คุณหมอใจไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยดีนะเป็นเรืประการใโชคลายโช่ลายอย่างนั้นหรือสวดมากไปอย่างนั้นเจ้าผู้ทาจะพาวะทำแล้วมันก็โอ้ไม่ได้หนวกันหนอในดวงอาทิตย์มันก็เม็ดในฝนมีแ้่ร่องทางของเมื่อเราเดินทาง เราหมดาุดหมิหมอพอโกโตพอหัวเ ร, เ, ราา เ, รเราแตกรามาหาหมอหมอรักษาไห้แผลไหลกลับบ้านได้ไม่จ้องทุกข์ใจเห็นของเริงมันเป็อย่างนี้นีว่า น, นี่ด้วยกันนิ่ด้วยกันเ ร, เรื่อเห็นธรรมเห็นธรรมอย่างนี้มี่จำมังเหตุปะปะว่าเตสังหาตรงต่อเถอก็ตั เตสัจจะโยนโอตัวเอวางมา้ที่มหาสมุโรอาคาถ า, าอาจิริสสอนภาษาลีบุตรว่าที่นี่ว่าจริงต่างๆเกิดที่เหตุดับที่เหตุจาริบุตได้รวงตาเป็นตำหนิสมัยเป็นเป็นมนุษย์กำลังสวยขาครูอาจารย์จากการปรผูกกับอาจารย์สันชัย ไปรัตต บ, บุตรอาจารย์ใหญ่สมัยนั้นนาน้องทุกคนต้องไปศึกษาวิชาต่างๆตามอาจารย์สอนใจดังสมัยนั้นนะไปหมขก็กลับไปกัะบุกนลานะเวียนจนจบอาจารย์สอนลายลูกหมดแต่ไม่พื้นที่พอใจอาจารย์ขอร่องให้อยู่ ช่วยสอนอาสารบตรุตโมกขลานะมาอยู่ไปห้องศึกษายอยีกก่อนอาจารย์เช้าจบเแค่ไหนจบแล้วจบหมดแล้วคนที่สองก็ปัญหาอยากทางเงินกับรคนทั น, านยนาเนี่ยเงินติดได้สาววกฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเรียกว่าพระเจ้าวงกสองหกเนี่ยพระโมกขลาสารบตรุตเห็นว่ามาเพี้ยนใช่ไหม ขอบุที่เจ้าใจกว่าเรียกว่าผู้ผู้ติดตามผู้ที่แยกแยกอะันต่าแทนพระเจ้าต่าแล้วก็ขอกราใจหมุกกระใจด้วยเถิดขขอแยกทางกันเพื่อนด้วย โมคลาประธานหนึง่งสารดูจจะประธานหนึง่งท่านมีเงินอาจารย์ที่ใดตีมาบอกกันด้วยส่งขาวให้กันด้วยสารดูก็เดนมาจังตะมงลุเวลาเช้านาคขมแถวปาลังศรีใกล้กับป๋าอิสิปัตะละอรุษจายวันที่พระพุทธเจ้าทรงต่ถโแสดงพระธมเทศนากันแรกปดยปัญจี ปัญจชีทั้งง่าลูกหมดพระเจ้าก็จงมาบอกว่าทจาจะพิกเวจานิกังพ่จนนดีตาจะพพจนดีสุขาจะโกรกาลุกามปายะให้ไปสอนคนพวกเราพ้นจากวงแห่งมาแล้วไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูนแจกคนเป็นส่วนมากให้ไปทางละรูปปันจวีชห้า หบกับพระพุทธเจ้า ท, าาทาา่านแดปจ่า้ัพยาไปานวัปปะดจา่งพัิยะไปจาน า, า, จานา ม, า, ามะก็ไปจาหนอัเก็ไปานอาตอนนั้นสารกำลงั ง, องอาจ้างาขารจอยู่ไปพบสารวัตกำลังเดินดเิ น, น, นากลางังออกจากิกะมุวัน เป็นคำสั่งพูทธเจ้าให้ไปบอกคนสอนคนเราได้เทียบเทียบคนเราเหมือนบัวสีเหลาเราเรียงว่าอุคติจันอยูอ พ, พ่อพักขอเจ้าพุทธเตี๋ยอีกเองเรียนว่าอิปติจดัดโยอีกลองสองวันสามวันเราได้อีกลองเรงีึวนว่าเนยะ อีกสี่วันห้าวันเราในปะทะพลมะไม่รู้อะไรเหมือนว่าพ่นน้ำรารับแสงอาทิตย์ก็บานได้เมื่อที่กําลังจะเพิ่มอยู่วันเดียวรออีกคนเดียวก็พเดิ่มจุกแสงอาทิตย์ก็บานได้อีกแต่เราเองก็อยู่กลางน้ามัไป อีบัวนึ่งก็ขึ้นพ่อใจดินอีบัวหนึ่งเรานึ้นก็อย่า่ต้ดินอยู่เฮ้ยไ ป, ไปบอกคนอ่าไอ้ที่เข้าไปตามคำสั่งพระเจ้าไปเป็นทบาทสารวดเห็นเขา้าศรัทธายังไม่เลยแสดงยังไม่ฟังยังไม่ฟังอะไรเลยศรัทธาเฮ้สำหรโลูกนี่มาจากไหนเนา ทำามาจังของเสย์อยากมาญาติพี่น้ากันรู้ทาไมหนอนใครหนอเป็นครูบาอาจารย์ของท่านครูบาอาจารย์ของท่านสอ น, าา น, าานไงหนออยากจะถามอยู่เพราะว่ากําลังศึกษากําลังศึกษาอยากจะถามอยู่แต่ว่าไม่เหมาะเวลานั้นอาจจะคิดกำลังยินทบาทดอยู่ค่อยจะกัดตามหลังไป คนบุนทบายผ้าพ่อนพาเปหมู่บ้านบสวงบุตร ก, ก, ก็เรียกประจามถึงก็ขอรับบาตรถ้าคนเจ้าประสงค์ฉันเทใดแต่ก่อนไม่มนวัดวารามนะนอนตามคนไม้โน่นคนไม้ที่เราสวยไมเจโน่นเรือนว่างเตยจงไปจงไปคนไม้เป็นที่อาศัยย่อมข้ามลูกขมูล แต่แม่หลวงพ่อยังคิดอยากจะไปธรรมที่เห็นคงอยู่ชอบมากเห็นน่องรอยพวกท่านนอลอยเดินจะกองโอ้ยบรรยากาศดีธรรมชาติถ้าพูดอะไรอยู่กับธรรมชาติใล้กับพุทธเจ้ามากที่สุดใกล้จริงจริงอะธรรมชาตินะก็สาอาเจคถ้าฉันเข้าสารเฉียนเราก็สารบทเข้ามาถามท่าน ปัญใจไหนท่านรู้อะไรรู้ทำอะไรใครเป็นครูของท่านครูของท่านสอนหนึ่งอะไรอาจาะคิดเคยบอกว่าอาจารมาพุ่งบทใหม่ใหม่มานี่ยังเทศสนาไม่ได้อะไรมากมายสายหักวก็ววอ้อนวอนเถิก็ได้มากก็แทถจะเฉพาะน้อยก็พอใครเอาได้แรง น, น้อยคําำเดียวก็วพอ ปาจจคิดกันเลยแทว่าคาถาปัจจัยคิดแนวว่าเอออะไรหลวงพ่อบุญยเมาเห่จุปปาวาเตสังเหตุตรงตาากระเราพ่ก็จำาเนี่ยจำเอามาเพื่อด้ฟังโดยเฉพาะอโรจากเอวังมาทีมหาสมุรเอวังคือมีเท่านี้รวมลวมเทนี้ว่าจะแทบไปบำเพ็ญสามว่าทุเชิงทุกสิ่งเกิดติ ประดับก็ดับที่เหตุมาใช่เราโกรธเหตุที่มันโกรธอยู่เพราะมันผู่มันหลงอ่ะมันจึงโกรธอ่ะมันทุกข์มันมันหลงมันจึงทุกข์อ่ะประดับที่เหตุนั่นไม่ใช่เราทุกข์ประดับทุกข์เลยไปด่าขาไปข้าเขาก็ไม่ใช่อดับที่เหตุตีไอยู่ตรงไหนอยู่กับเราเองเพราะเราหลงเพราะหลงอ่ะจึงโกรธเพราะหลงยังทุกข์ยังลึกยังฉังไม่ตกกลงวันมอง โอ้เขามองตนมองตนมองกันมาเหรเหตุนั้นโอ้มันหลงทำไมไม่ทำไมไม่หลงเหรอพอเรไม่รู้ทาไมเราไม่รู้เพราะเราไม่เคยมีสติเราไม่เคยไปสร้างเลยอันนี้เราเอาต้นนี้พวกเราเดี๋ยวนี้มาศึกษาตรงนี้กันไปเชิสอนพวกต้นทั้งหลายรู้นะพวกต้นทั้งหลายนี่มามากแล้วแต่ว่าขาดเทียนตรงนีนหน่อยนึงขอเสริมให้ตรงนี้เลกหน่อยนะให้มันสมบูรณ์แบบ ถ้าตรงนี้มาจมวันี่โลไปแค่แล้ววิชาการที่เรารู้มันจะเป็นรประโยชน์มหาศาลการทํางานก็ไหลเพื่อนร่วมงานก็ไม่ปัญหาจมวัวปลงกยนเขินหนุกเนยยสนุกสนานไปเกับการทำรงานทำงานไปพลางได้บรรลุธรรมโดยพลางไม่มีเรื่องมีราวยิ่งยากสะสม่นวยัยขอบบรรลุธรรมไปได้กา ร, ร, รไปได้ผ่านไปได้ โรบราณกันว่าหกกระเี๊บบ่น้นำฉ้นกระจีพบปลาปลเี๊บ่นดนากระเจีถังนเาไปเทีนยถางก็เลยไปสมุทรเพื่อมาังบอาจะให้คนรักคนงแางคมพอใจคนเสียใจมันฉั่งงานใดเราได้มวนวยเลยถังเลยนี่จะตัวพทเจ้ญญาบอกสาวพุทธว่าจงเถอจงถางป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ไม้ต้งนี้ เนี่ยป่าคืออะไรคือวิชาความไม่รู้ทําไมไม่รู้พรเราไม่ศึกษาโบราณเช่นว่านะที่ใดป่ายาประมาณเสือบาทไปอยู่คู่สถานพอจับต้องมองเหยื่อทุกวันวานเคยเดินผ่านมิรับหวังนีหวังตายป่าคืออะไรอวิชาความไม่รู้ป่าให้หลงไหนอวิชาความไม่รู้ป่าให้หลงไหนหลงไปแต่การนาน า, นา ง่ายสวยงามตันหาพรมนักในตันหาคือสิ่งที่ทำไมเศร้าหมองไม่ใช่ตันหาลักลูกลักเมียลักขัวลักทรัพย์สมบัติมาใช่อันนั้นอาสัยวิปัญญาเสีของเราต้องขยันหมั่นเพียรขยันหาขยรักษาขยันเจ็บไว้รู้จักใช้รู้จักหารู้จักรักษารู้จักเจ็บถ้าเป็นสายวิปัญญากันเนี่ยก็หัวโทษเมียพราวหัวเจ็บเมียกรรม ยาเป็นงายครับมาคาครับนี่พวกผัวเดีวมาพวเแม่เอาไปนี้ไปใส่เลนเบิร์พวกแม่หามาผัวเอาบีหลอกอมา่าเบิร์ดอากามาคารับนี่อันพระพุทธเจ้ามาจะสอนให้เราที่อันนั้นให้เราขยันหนาเก็บรักษาเลยก็เนี่ยพระอาจารย์ชีสอนซาลิบุตซาลิบุตได้ดวงตาหนำไหวทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดที่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุ ทั้งหมดได้ลงแรงทำทันดีเป็นพระโสดามันทันทีเลยโอ้ยก็เลยอ่ะข้าพเจ้าขอเอาอาจารย์อาศิชิเป็นเสะนะเพราะข้าพเจ้าอาศัยการสอนทะี่เพิ่งแล้วข้าพเจ้าคุณจากโลกได้จริงๆอาจจะคิดมาว่าอย่าเลยมนุย์ไม่ใช่เราเป็นเสะนาะ พระพุทธเจ้าของเราครูของเราคราูของเราสอนนั่นนี่เราคือพระพุทธเจ้าพอได้ยินนะพระพุทธเจ้านะ่ะเป็นหูพึงกันเลยโอ้ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเราหรือนี่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นตาใจหนมาจากอ่าอะไรเสียมผูเป็นชาวเสียมผูประเทศไหนปานทั่ทวแต่ก่อนเป็นเนินเดียหลวงพ่อ เ, เคยไปม้วยกันไปเสียมผู จะรนดแกนโดยชอบเป็นเหล่าสาขากระบงองไปรดวรรของพระเจ้าจุตโธทนะนางชิมหาปัญาออกปวดเป็นวุ่เยว่เดี๋ยวนี้เป็นยัง ไ, ไนอยู่าจจราชฤกษ์องค์พระเจ้าพิมพิสารเ็าหันหลังให้กันจากป่าอิสิปัฒนณะถ้าพวกเหล่าสาวกทั้งห้าก็ไปอยู่แถวนั่นละสวนป่ามวนดุลุ พราสีหางจากพาราสีไปประมาณเท่าไหร่เฉลี่ย ป, ประมาณ6ก ม, ปมเป็นที่เหลื่อนของคนเมืองพาราสีอีสิปั จ, จนะเนี่ยก็คือที่ปล่อยสัตว์ถ้าสัตว์อะไรไปอยู่ที่นต้องกดปล่อยอย่าเป็นลายมันเดี๋ยวี่เราไปอีกหน่อ ย, ยได้ปะเรือไป เราอยู่นอนว่เยอะไปสิปัญญาเนีะยถึงมันจะว่าที่ปลดปล่อยสัตว์มีเรื่องแล้วว่าอ่ะปล่อยจริงเงี้เดี๋ยวนี้ังมีความเต็มอยู่มีนกสารพัดอย่างเต็เมไปเลยแล้วนะเป็นพันปีมาแล้วถ้าคนมาตามไปอยู่ที่นั่นนะถึงว่าปลดปล่อยแล้ววางแล้ววางไม้กระทั้งผละกวางไม่กระตั้งทุกข์สุขต่าง จึงเป็นที่เล่นเล่นของชาวพาลาสีเง่ลวงลวาวาเง่กวังพระยาขวังเติงสมัยพระเจ้าสวัยเป็นโพธิสัตว์เป็นชาติต่างๆมาสวัยก่อนเป็นกวังเรือกกวังอะไรชื่อจะไม่ได้หอกนะแล้วก็มีวาฬหลายตัว มีควางเป็นหน้าควางสองสองสองตัวแรียว่าควางสาขะอะรย่าเงีงอ้อจะมา้วาาาาาาทำไมต้องว่าต้องบกี้นะมัมีสองตัวหัวน้าหมอนนี่พระเจ้าอมตัตน่ชอบสวยมื่อสัตว์เป็นน้ำมากองให้พ่อปัวไปล่าสัตว์มากินทุกวันจึงอยู่ได้เพราะติดด้วะ เมือนคนบางคนติดแทะสัตว์มากจริงๆนะแล้วพ่อดูหนังสือดูนะเขาตัดหัววัวไปกินแก้เล่าอะไมือววัเอาสองวเลยเขายู่ทโอ้ยคนเราเนาะนาววยัม่ตาเลยก็ตัดหังแกเล่าเินนะ่เราพอเห็นเหว่าน้าท่าอะไรรถเดอโอ้ยที่บริสุทธมันหรอหมันเนี่ยเขาปกกัดดังมันไปเลยต้อปไปตาหักตากะ มกกเ่เป็นตะขาบจะไดงอกควอยไตาจะเป็ น, นอะไรแล้วท้เป็นได้น้อ ย, ออย <c oughs> หักลารแล้วงอควอยตรงพ่ อ, อ, อพเจ้างอกควอยอะไรอะไรก็ฮาพระยาผู้เปเจ้าของชาตวชอบเย็นเนื้สัตว์ให้ครอัวไปน่าที่ป่าอิสระป่าอิสิเทุกวันทุวันเวลาพวกคัวมาป่าอิสิพวกสัตว์ทั้งหลายก็เล่เงกันกลัวตา เดยไม่ออกจากป่าเย่ไหมล่ะเพ่งไปไม่หายูก่อนก็เพงไปก่อนที่ระทางร้องหกักไม่ไหวหมดเวลาลายพานพออผัวมาฆ่าสัตว์ไปฆ่าพระเจ้าพรอมาัดเฉยอ่าแล้วนี่พระพุท่จัดวังเนี่ยตัวเนี่ยสั์กระจ่างหละอาหารต่างๆข้าพเจ้าจะไม่เลิก เห็นว่ามีปัญหามากจึงประชุมควงทั้งหลายถ้าให้ใหเป็นวละของใคร ข, ขมันเวลาครอบครัวมาเราก็ยินอยู่ตรงเนี้ยแล้วจะเขาจะเอาตรงไหนเวลาเราจัดวาะกันแล้วให้ไปวันละตัววันละตัวจับฉลากวันนี้เป็นของอะไรวันนี้เป็นของอะไรพวกเราที่ไม่เป็นวละก็หากินดับไว้ผู้เป็นวาระ ควงตัวไหนเป็นเวลาก็ไปเย็นอยู่หน้าป่ายี่ส้ น, นจะให้เร้คาครัวเข้ามาข้างในเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปควรท่านหลายก็นรับหน้าที่มาให้เ่้ารัวข้าพิามารตัวพิมารตัวเพาะประชุมกันแล้ววันหนึ่งมาถูกวังแข้งขันดังไม่ออกลูกดูอีประมาณชักไม่เกิน ที่จิตบก็ถูกวาระเข้าถูกวาระที่ต้องมาให้ครอครัวค่าก็ชิดส ง, งสารลูกในท้องของตัวเองจึงขอเปลี่ยนกับกวงตัวอื่นขอเปลี่ยนใครกับกวางตัวไหรเขาก็ไม่ให้ทุกคนทุกตัวก็จะได้ชีวิตอยู่เพียงนาทีเอาสองทีวันหนึ่งสองวันก็ไม่ค่าจะจะไปเปลี่ยนกวางตัวเนี่ยแล้วก็ เสดายเสดายเพราะต้องสุข้าตายไปเปลี่นใครก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนกองตัวไหนไม่ได้เลยวองตั้งขันตั้ท่องตัวเนื้อก็เลยไปหาหัวหน้าเลยวางโพธิจัตต์ไปใชไเจ้าเอข้าไเจ้าก็ไม่ขัดขืนคำสั่ของพระโพธิจัต์หัวหน้าวงตั้งหลายดอกแต่ว่าหงสารในท้องเนี่ย ให้ขอดูออกก่อนจะไปแทนไม่ไม่ไมคดโกงจะไปแทนตัวอื่นได้พี่บริษัทจะหากวงตัวไหนไปเปลี่ยนก็ไม่ได้ก็เลยเอาทางอ่างพระเจ้าจะไปเปลี่ยนมาท่านเลยวะบุนี้นนะกองริษัทก็มาเยนรออยู่ห น, ห, นหน้าป่าสิปตนะครอบครัวก็มา ไฟเวียน ม, มาลูกเตนโมามาเห็นแล้วก็ควงโพลิชัด ต, ตัวนี้ก็ยืนไม่สะดุ้งไม่เหมือนควงตัวหน่นควงตัวนี้นร้องไห้ท่าปากทั้งก้มทั้งนอนทั้งร้องไห้ต้องร้องอะไรเขาก็ฆ่าไดา้แต่ควงโพลิชัดตัวนี้ยืนยนันไม่มีปัจจิตยาที่ไปกลัวสะต้องจะตุกจะทำอะไร ตัวพานก็เห็นเขา้าโอนี่มันตกเคียงกับกอเตัไหนไมเหมือนงกง ต, ตัวอื่นทำไมมันจึงไม่ควา้าเลยก็เลยไม่กล้าเยกไม่กล้าฆ่าไม่กล้าฆ่าเพาบอกกวางว่าเท่ไม่สมควรที่มาว่าคิดให้ให้อยู่เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาดีกว่ากวางเวชก็พูดให้นายพานฟังว่าไม่ได้เเวลานี้ กาเราเดเือร้อนกันมากวันนี้เป็นภาระของปวงตั้นคันตัวหนึ่งที่เขาเป็นลูกในคันครับถึงวาของเขาขอขอรองต่อรองไปให้ลูกในคันอราก่อนเขาจะมาเปลี่ยนให้ไงผ่านพ่อปัวข้าเราจึงมาเปลี่ยนปวงตัวนี้เอาไว้ให้เขาให้ออกลูกเสียก่อนก็เพื่อนได้ยินเช่นนั้นก็โอสงสารปวง ก็เด็กวงเนี่ยเขายังลันกันน้องเราเนี่ยไปฆ่าไปแจ้งเขาดูว่าเพื่อนเวลาจับแม่ไปลูกมันทองโอ้ไ่หเขาเนี่ยไปจับข้อมันทายมันทองเนี่ยมันตัวใจอะไรนะเออโอ้ยนักเด็กวงเขายังสางจังกันเลยเราไปฆ่าเขาน่ะก็เนฆ่าไปลงกลับไปกราบถวพระเจ้าโพธสัตวฆ่าไปลงเพราะมีประสบการณ์แต่นี้มา ครับเจ้าพนมชาติก็เพมเป็นอย่นนางนั้นมาแน่นเลยอ็เลยเลิกกินหน้าเลยคนอินเดียเนี่ยเลิกกินเนี่อหมดทุกคนเลยนะไม่กินหนื้อนะกินแบบถั่วะอะไรกันทุกวันนะตั้งแต่หน้ามาที่ป่าอิสิปัตนาหรมาลีสุาในวันนี้เป็นที่โปรดปล่อยของสัตทุกประเภทไปฆ่าตั้งแต่รมานล้วมาเราเรียกว่าอิสิปนะัตนาอะไรเป็นป่ายัางอยู่ทุกวันนี้ มีจัดจ้งอยู่ในพวงจะเพื่อไปเจวรไม่เพี้ยนวันที่หกมีนาถึงวัเจดเจอาจารย์ช่งเจิดก็จิไปแล้วก็จะไปอ่าอันนี้เรื่องปเ่นะถ้พูดทุกทนที่นก่อนจะมาพูดเรื่องน่งเรื่องเรื่องเกี่วกับที่ว่าที่ปล่อยจัดคอมันเรื่องนี้ก็นม่เน่ะ สาดีบทเนี่ยไม่ทราบตัดอัธกิว่าพระพุทธเจ้าอยู่ก็จะคือสาอยู่า็เดินไปเลยถามพระพุทเจ้าจนไปเห็นพระพุทเจ้าตามไปจนพบพระเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้เข้าใจลึกซึ้งเข้าไปเหมือนลุ่มลึกเข้าไปเหมือนน้ําในมหาสมุทรก็เลยคิดถึงพูน ถึงหมกันลาที่นัด ก, กันว่าถ้าใครไปพวอญญาณที่ไหนให้มาบอกกันด้วยเพื่อจะได้ไปศึกษาด้วยกันแต่พวกก็รีบกันมาหาหมกันลานะแถวแถวตบุนนูนรู้เวลาเสนานิคมพาศีลันจากพลาสีไปราจะขึ้นประมาณสามหม่กวมอเท่า ไ, ไจ ร, าารจะนักศิสามหมื่กมอนะพกเจ้าเดินทางมาจากเดินทางจากไปสีปัจจ น, น์มามทีสทัวันเนี่ยไป บทพระเจ้าเมืองสามสามลกมอนะข้องขาเดินนะพวกเราเคยเดินทางสามกมมแต่ม่ก่อนกมอนเรก็มอหาเกนแล้วไปเลยไปหาเริ่ชวนกันมาตามหาพระโมคคัลลานะเพื่อนมาวก็เจอเข้าวนเวีนเถอนะเก็เลยชวนกันไปเราเอาจารย์แล้วเพื่อนไปเถอะเราไปเถอะ อยู่ที่นี่อยู่นู่นเราจะคือดัะเจ้เมืองสอนหลวงพ่อพระเจ้ากาลังจะดงทำบุตพระเจ้าองสอยู่อยู่สวนดานหนึ่งอ่วมากนัที่วัดมากนี่ก็เลยชวนไปกานที่จะชวนไปหาพระพุทธเจ้าอาบุก็เลยบอกเอเนี่ยเราจะไปชวนอาจารย์สนใจวัดตบุตรไปด้วยบอกลาเขาเว่เอ้ที่น่าจะชวนไปด้วย อาศัยพวกก็ชวนอาจารย์สงสัยจึงเป็นอาจารย์ของตนถ้าอาภัพอาจารย์แล้วับพุทธเจ้าแล้วบอกบทเป็นชาวสารคายวงศ์วางกัเป็นระเบอาจารย์ของเธอเป็นใครเป็นสิทธะเจ้าของเจ้าสิะเป็นสัตว์กรงสารคายวงศ์ทศพุทธเจ้าสอนอะไร สอนเลยบรรลุธรรมฉลาด่แล้วขึ้นอ า, อาจารย์อะไรก็ทำอ่ะเอาคนในโลกเนี่ยคนโง่กับคนฉลาดใครมีมากกว่ากันแล้วบอกต่อว่าคนโง่มีมากคนฉลาดมีนะ้อยเออให้พ่อกลุณไปเถอะปหาคนฉลาดจ้ะเราจะอยู่กับคนโง่ไมนว่ามีเพียงนจะลูกหลอกจะลก